เมื่อตัวยังเล็กปัญหาก็ยังเล็กคุณมีเวลาแก้ปัญหาได้ทันหากเห็นพฤติกรรมก้าวร้าวของลูกก่อนอื่นอย่าพึ่งกลุ่มใจหนักเกินไปเพราะคุณเองจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาโดยไม่รู้ตัวไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเมื่อตัวยังเล็กปัญหาก็ยังเล็กคุณมีเวลาแก้ปัญหาได้ทันก่อนที่เขาจะตัวโต และกลายเป็นปัญหาใหญ่โตของโลกอย่างเช่นในกรณีที่ลูกก้าวร้าวเลือกที่จะทำร้ายตัวเองเมื่อไม่ได้อย่างใจอาจเพราะรู้ว่าพ่อแม่รักมากอาจเพราะน้อยใจที่พ่อแม่ไม่เห็นค่าเลยอาจจะเพราะเพิ่งดูการ์ตูนฉากตบหัวตัวเองอาจจะเพราะใช้วิธีอื่นแล้วไม่ได้รับความสนใจและอื่นๆ ขอให้เริ่มมองอย่างง่ายที่สุดคือการทำร้ายตัวเองคือการบอกระดับความต้องการที่รุนแรงลูกกำลังอยากให้รู้ว่าเรื่องของตัวเองเป็นเรื่องสำคัญไม่ให้ความสำคัญไม่ได้ถ้าคุณไม่ให้ความสำคัญเขาอาจทำร้ายตัวเองต่อแต่ถ้าให้ความสำคัญมากเกินไปเขาอาจทำร้ายตัวเองหนักขึ้น ให้ค่าให้ความสำคัญแต่ไม่ตามใจสิ่งที่ต้องทำไว้ในใจคือทำอย่างไรให้ลูกรู้สึกว่าคุณให้ค่าให้ความสำคัญแต่ไม่ได้ตามใจเขายื่นเงินขายอื่นที่เขาพอใจแต่ไม่ใช่สิ่งที่เขามุ่งมั่นจะเอาให้ได้อย่างใจไม่ใช่สิ่งที่บอกว่าเขาเอาชนะเราได้ ด้วยการแสดงความขี้น้อยใจปึงปังยกตัวอย่างเช่นถ้าลูกจะดึงดันขอดูการ์ตูนให้ได้ทั้งที่เลยเวลานอนแล้วคุณก็อาจเล่านิทานให้เขาฟังเดี๋ยวนั้นซึ่งอันนี้ต้องมีมุกที่คุณเตรียมไว้ล่วงหน้าหรือคุณมีความสามารถแต่งเรื่องสดๆอย่างรู้ว่าจะดวนใจแน่ๆชนิดที่แค่เอ่ยปากไม่กี่คำเขาเห็นภาพอยากฟังต่อทันที เมื่อเห็นลูกหูพึ่งตาตรงทำท่าสนใจอยากฟังต่อก็ค่อยบอกว่าถ้าขึ้นนอนถึงจะเล่านะส่วนใหญ่เขาจะเลือกขึ้นนอนไปฟังโดยเฉพ่ออย่างยิ่งถ้าคุณเป็นพ่อแม่ที่มีอาวุธสำคัญเป็นนักเล่านิทานคนโปรดของลูกย้ำอีกครั้งว่าคุณต้องทำให้เขาเห็นว่าเขามีค่าแต่ไม่ใช่ด้วยวิธีตามใจเขา หมายเหตุผู้อ่านมีพ่อแม่จำนวนมากนะครับที่ไม่ให้ความสำคัญกับการให้เวลากับลูกที่พอเพียงและปล่อยให้ลูกมีโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตเป็นพี่เลี้ยงซึ่งคนเราก็มักจะมีข้ออ้างสารพัดนะครับแต่ขอให้จำไว้ถือว่าเมื่อลูกโตขึ้นมาเป็นคนเนรคุณหรือทำเรื่องไม่ดีให้คุณต้องเสียใจส่วนสาคัญที่ทาให้เขาเป็นแบบนั้นก็คือคุณนั่นเองที่เลี้ยงเขามาอย่างไรก็ย่อมได้ผลแบบนั้น ส่วนมากก็ไปโทษเวรกรรมหรือไปโทษฟ้าดินหรือโทษสิ่งแวดล้อมแต่มักจะไม่ค่อยโทษตัวเองนะครับการที่เด็กจะโตขึ้นมาดีได้จริงๆนั้นตอนวัยเด็กสำคัญมากที่สุดและช่วงเวลาชีวิตของเด็กที่สำคัญก็คือช่วงเจ็ดปีแรกที่พ่อแม่ต้องใกล้ชิดต้องเอาใจใส่ให้มากที่สุดเพราะเป็นเวลาที่ปลูกฝังอะไรได้ง่ายมากยกตัวอย่างในแง่ลบให้เห็นภาพนะครับเช่นถ้าวัยเด็กเคยตกใจ หรือมีความกลัวอะไรรุนแรงมักจะติดตามมาจนโตจนถึงวัยแก่ชราก็ยังแก้ไขให้เลิกกลัวเลิกเกลียดไม่ได้นะครับจึงควรใส่ใจดูแลเด็กเล็กให้ถูกต้องตรงทางก่อนที่จะสายไปหรือแก้ไขได้ยากสําหรับข้อมูลในการดูแลลูกนั้นปัจจุบันถือว่าเป็นความโชคดีของคนยุคนี้นะครับในเรื่องจิตวิทยาการเลี้ยงลูกนั้นมีข้อมูลที่ค้นหาทางอินเทอร์เน็ตมากมาย ครอบครัวใดก็ตามที่ต้องการจะมีลูกควรศึกษาวิธีเลี้ยงเทคนิคจิตวิทยาวิธีเลี้ยงลูกในวัยเด็กไว้แต่เนิ่นๆนะครับถ้าไม่สนใจไม่ขวนขวายไม่อยากทำถ้าไม่พร้อมที่จะดูแลสั่งสอนให้เขาเป็นคนดีได้จริงก็แนะนำว่าอย่ามีลูกดีกว่านะครับ